4. อาสาทารณาธิว่าด้วยอาสาธารณสิกขาบทเป็นต้นจำนวนสิกขาบทของภิกษุเป็นต้น 338. พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสิกขาบทของภิกษุมาสู่อุทเทศทุกวันอุโบสถรวมสองสิสิกขาบทของภิกษุณี มาสู่อุเทศทุกวันอุโบสถรวมส0 4สสิบขาบทสิขาบทของภิกษุที่ไม่ทั่วไปกับภิกษุณีมีสี่สิบกสิขาบทสิขาบทของภิกษุณีที่ไม่ทั่วไปกับภิกษุมีหนึ่งสาิบขาบทสิขาบทของทั้งสองฝ่ายที่ไม่ทั่วไป มีหนึ่งสิกขาบทสิกขาบทของทั้งสองฝ่ายที่ศึกษาร่วมกันมี174สิกขาบทประเภทสิกขาบทของภิกษุสิกขาบทของภิกษุ220สิกขาบทมาสู่อุเทศทุกวันอุโบสถเธอจงฟังสิกขาบทเหล่านั้นตามลําดับต่อไป ปาราชิก4ีสังฆาทิเศษส3สาอานิยตสองนิสกี30ขุททะกะ92ปาติเทสนิยะ4เสขียะ75สิกขาบทของภิกษุ220สิกขาบทเหล่านี้มาสู่อุเทศทุกวันอุโบสถประเภทสิกขาบทของภิกษุณี สิกขาบทของภิกษุณี304สิกขาบทมาสู่อุเทศทุกวันอุโบสถเธอจงฟังสิกขาบทเหล่านั้นตามลำดับต่อไปปาราชิก8สังคาทิเศษส7นิสกีสามสิขุททะกะ166ปาติเทสนิยะ8เสขียะ75สห้า สิกขาบทของภิกษุณี3ามสิกขาบทเหล่านี้มาสู่อุเทศทุกวันอุโบสถอาสาธารณะสิกขาบทของภิกษุสิกขาบทของภิกษุที่ไม่ทั่วไปกับภิกษุณีมี46่สิกขาบทเธอจงฟังสิกขาบทเหล่านั้นตามลําดับต่อไปสังคาทิเศษห รวมกับอนิยตสองสิกขาบทเป็น8นิสกี12รวมกันเป็น20สขุททะ12ปาติเทสนิยะศสิกขาบทของภิกษุที่ไม่ทั่วไปกับภิกษุณีนี้รวม46สิกขาบทอาสาธารณศสิกขาบทของภิกษุณี สิกขาบทของภิกษุณีที่ไม่ทั่วไปกับภิกษุมี1นึ่งรสิกขาบทเธอจงฟังสิกขาบทเหล่านั้นตามลําดับต่อไปปราชิกสสังขารทิเศษที่ทําให้ถูกขับออกจากหมู่10นิสกี12ขุททกะ96ปาติเทสนิยะ8ปสิกขาบทของภิกษุณีที่ไม่ทั่วไปกับภิกษุนี้ รวม130สิกขาบทสิกขาบทที่ไม่ทั่วไปแก่สองฝ่ายสิกขาบทของทั้งสองฝ่ายที่ไม่ทั่วไปมี176สิกขาบทเธอจงฟังสิกขาบทเหล่านั้นตามลำดับต่อไปปาราชิกสสังคาทิเศษส6อานิยตสองนิสกี24 ขุทธะ118ปาติเทสนิยะ12สิกขาบทของทั้งสองฝ่ายที่ไม่ทั่วไปนี้รวม176สิกขาบทสิกขาบทของทั้งสองฝ่ายที่ศึกษาร่วมกันสิกขาบทของทั้งสองฝ่ายที่ศึกษาร่วมกันมี174สิสิกขาบทเธอจงฟังสิกขาบทเหล่านั้น ตามลาดับต่อไปปาราชิกสีสังคาทิเศษเจ็ดนิสกีสิบแปดขุทธกะเจ็ดสิบท่วนเสขียะเจ็ดสิบห้าิกขาบทของทั้งสองฝ่ายที่ศึกษาร่วมกันนี้รวมหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ิกขาบทอาบัตที่ระงับไม่ได้ บุคคลผู้เป็นปาราชิกแปดจำพวกเข้าใกล้ได้ยากเปรียบเหมือนต้นตาลเหลือแต่พื้นที่บุคคลผู้เป็นปาราชิกเหล่านั้นย่อมเป็นผู้ไม่งอกงามเปรียบเหมือนใบไม้เหี่ยวเหลืองแผ่นศิลาหนาคนถูกตัดศีรษะต้นตาลยอดด้วนฉะนั้นอาบัติที่ระงับได้ สังคาทิเศษยี่สิบสามอานิยตสองนิสกีสี่สิบสองปาจิตตีหนึ่งร้อยแปดสิบแปดปาตเทสนิยะสิบสองเสขิยะเจ็ดสิบห้าระงับด้วยสมถะสามคือ 1. สัมมุขาวินัย 2. ปฏิญญาตการณะ 3. ตินนวัฏฐารกะ ส่วนที่ทรงจำแนกอุโบสถสองปรวารณาสองกรรมสี่อันพระชินะเจ้าทรงแสดงแล้วอุทเทศหและอุทเทศสี่ย่อมไม่มีโดยประการอื่นและกองอาบัตมีเจ็ดอธิกรณ์อธิกรณ์สระงับด้วยสมถะเจ็ดคือ ระงับด้วยสมถะสองสมถะสี่สมถะสามแต่กิจจาทิกรระงับด้วยสมถะหนึ่ง